ก็ในเรื่องของคุณกำพลที่พูดมา ทั้งหมดนั้นจากประสบการณ์เรืร้วนนะซึ่งจะทำให้เราได้ศึกษาประสบการณ์ตรงจากการแก้ปัจจัปัญหาพอดีจากถึงสภาวะตัวรู้ที่มันไม่ไม่พิกลพิการไปกับร่างกายก็ดีมันยังเด่นอยู่ว่าร่างกายมันจะพิกลพิการไปขนาดไหนก็ตามตัวรู้ยังสมบูรณ์อยู่ สมมติว่าบางวันเนี่ยเราเห็นแสงตะวันหรือพระจันทร์ว่าวแวงแว้งเนี้ยเราจะบอกได้ว่าพระจันทร์มันแหว่งไหยในวันพระจันทร์ขึ้นเนี่ยเราจะเห็นใช่ไหมบางวันเราเห็นนิดหนึ่งว่ า, าวเราเห็นเต็มวัาแ้วก็เห็นสี่เดียวเนี่ยมันว่าวแวงแว้งว่าเราจะว่าเป็นพระจันทร์แหว่งไหยพระจันทร์เสี่ยวไหมแต่ทําไมเขาบอกพระจันทร์เซี่ยวพระจันทร์แหว่ง แต่ควจริงพระจันทร์ไม่ได้เสี่ยได้แหวงใช่ไ <Okay. S 1> อะไรทำให้มันเห็นอย่างนั้นแ <Okay. S 1> สงสิงบังใช่ไหม <Okay. S 1> ไมีห <Okay. S 1> มอ <laughs> โลกอนะรที่ไปบางทำให้เห็นรูปพระจันทร์เท่านั้น <Okay. S 1> แต่ความจริงพระจันร์ก็ยังเต็มดวงเหมือนเดิมใช่ <Okay. S 1> จิตของเราที่มันตดจิตเดิมแท้มันไม่มีวาแหวงหมือนพระจันทแต่ที่ทำให้รู้สึกว่า อาการเป็นว่าเป็นแห่งอย่างที่เราเห็นมันไม่ใช่จิตมันเป็นตัวกายตัวอารมณ์ใช่ไหมความโลภความโกรธความหลงความโมโหเฉืเฉียวเนี่ยทำให้จิตใจตรงนั้นเราดูเหมือนว่ามันวอามันแบ่งแต่ควาจริงมันไม่ว่าแต่มันเป็นอารมณ์ไปบังเอาไว้จิตนี่นยังเต็มดวงเมืนเดิมเลยนะเพราะฉะนั้นในจุดนี้ยก็ทําให้เราแยกให้เห็นว่าระหว่างจิต อารมณ์เนี่ยมันมันคนละส่วนกันมันกับเมฆหมอกเนี่ยความจริงแล้วมันไม่ได้อยู่ใกล้ตะวันไม่ได้อยู่ใกล้พระจันทร์ไม่แต่นิดเดียวใช่ไหมอยู่ไกลกันมากแต่ทําไมดูมันใกล้ใกล้กันเพราะสายตางงลวงแล้วมันหลอกอารมณ์กับจิตนกันเนี่ยมันไม่ได้ใกล้กันเลยนะมันห่างกันมากแต่ทําไมดูมืนว่ามันเป็นอเดียวกัน อันนี้มันมันเป็นของจริงที่พิสูจน์ให้เห็นนะมันไม่ใช่ว่าสิ่งที่เราจะพูดขึ้นมาโดยไม่มีของจริงพิสูจน์ระหว่างพระอาทิตย์พระจันทร์กับเนะมฆหมอกอารมณ์ห่างกันมากแต่ดูเหมือนเป็นนเดียวกันระหว่างอารมณ์โลภโหล่งกับจิตเดิมแท้เนี่ยห่างกันมากแต่ดูเหมือนว่าออกมาจากที่เดียวกันอตรงเนี้ยดูให้ดีดังนั้นเองเราจะต้อง เห็นความมหาจรรย์ของชีวิตตรงนี้ว่าชีวิตคือรูป ก, กนำนามเนี่ยมันมีอะไรหลายอย่างที่เราศึกษาไปศึกษาไปแล้วจะเห็นความละเอียดความประณีตของมันนะที่จะมาถามยางมอมตรงกลางวันนี้ว่าใบไม้ใบหนึ่งเนี่ยถามว่าอะไรคือสาระของมันยังก็นึกไม่ออกว่าอะไรคือสาระของมันใบไม้ก็ไม่มีค่าอะไรเป็นสาระใช่ไหมแต่คําว่าสาระของมันคือไม่ ก่อนที่มันจะมาเป็นใบไม้ใบนี้อะไรสร้างมันมานั่นคือสารามันใช่ไหมว่าใบไม้ใบนี้มันเกิดจากสิ่งที่ไม่ใช่ใบไม้อะไรอย่าไม่ใช่ใบไม้ก็ถามย้อนไปบอกว่าใบไม้ใบนี้ก่อมันจะเป็นใบไม้แห้งเนี่ยไม่ต้องเป็นใบไม้แก่ก็ต้องเป็นใบไม้หนุ่มเป็นใบไม้อ่อนแล้วเป็นใบไม้พึ่งพริใช่ไหมแล้วเป็นใบไม้ที่ยังอยู่ในในต้นไม้ ถ้าเกิดต้นไม้ต้นเนี้มันเกิดมาเป็นต้นไม้เพราะอะไรก็มีดินน้ําลมไฟทําให้มันเกิดมาใช่ไหมต้นไม้ต้นนั้นก็ไม่ใช่เกิดจากสิ่งที่ไม่ใช่ต้นไม้ล้วเกิดมาจากดินจากน้ําจากลมจากไฟจากอากาศนี่แล้วดินน้ําลมไฟแล้วนี้ยังไม่ได้ถามต่อยอมอมเข้าใจซะก่อน <c oughs> <c oughs> ยังถ้าจะถามต่อก็ถามว่าอะไรคือสาระของดินน้ําลมไฟ เมื่อกี้เรารู้ว่าอะไรคือสาระของใบไม้แห้งใบนั้นเใช่ไหมว่าจะถามต่อเข้าใจซะก่อนเลยไม่ได้ถามเลยว่าต้องถามว่าอะไรคือสาระของดินน้ำลมไฟที่ทําให้เกิดต้นไม้ต้น น, นั้นใบไม้ใบนั้นเรารู้ว่าใบาไม้สาระของนั่นคือมาจากดินน้ำลมไฟแล้วนะแต่ที่อะไรคือสาระของดินน้ำลมไฟอันนี้คือต้องหาคําตอบจากประสบ ก, การณ์นะอืมน้ํา มันเกิดจากอะไรเอาดินก่อนดีกว่าดินเกิดจากอะไรก็ต้องตอบเหมือนเดิมดินเกิดจากสิ่งที่ไม่ใช่ดินเ <c oughs> จออีกแล้วด <c oughs> ินเกิดจากสิ่งที่ไม่ใช่ดินก่อนที่จะเป็นดินตรงนั้นนะ่ะเกิดเกิดจากการสั่งสมของอะไรซากใช่ไหมซากคือสัต์สัตว์ทั้งหลายนั่งพวงแล้วก็มาไปดินแล้วซากเหล่านั้นเกิดจากอะไร ก็วนไปหาฮะวนไปหาธาตุสี่แล้วธาตุธาตุสี่ตรงนี้มันไม่มาสมมารวมกันเนี่ยมันจะมาปรุงเป็นดินน้ําลมไฟได้ไหมก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นในดินนั้นมีน้ํามีลมมีไฟอยู่ในน้ําก็มีดินมีลมมีไฟอยู่ในไฟก็มีดินมีน้ํามีลมอยู่ในลมก็มีทั้งสามตัวหนึ่งคือประกอบไปทั้งสามตัวแต่ว่าอันไหนมันมากกว่า ถ, าากกถ้ามากกว่าเราก็เรียกว่าน้ําถ้ามากกว่าเราก็เรียกว่าไฟแต่ในไฟน네ั้นมีดินอยู่ถ้าไม่มีดินอยู่ไฟไม่ติดใช่ไหมอ่าถ้าไม่มีน้ําอ่าถ้าไม่มีดินน้ําก็ไม่เกิดใช่ไหมแต่ละอย่างเกาะกลุ Noble ่มกันแต่ถ้านถ้ามันอยู่ธา ต, ตุแต่ละตัวมันอยู่ใครอยู่มันเนี่ยมันเกิดปัญหาไหมไม่เกิดใช่ไหมฮะ ไ, ไม่เกิดแต่จับไอ้สตัวนั้นมารวมกันเน่ยใช่ไหมเกิดละเกิดอะไรอ่ะเกิด เกิดผักเกิดแมลงเกิดอะไรขึ้นมาจากธาตุสีนั่นใช่ไหมทําไมมันจึงเกิดเมื่อธาตุอยู่ใครอยู่มันเนี่ยมันไม่เกิดอะไรไม่เกิดการปรุงแต่งใช่ไหมเมื่อธาตุสี่มาสมรสมเข้าเกิดการปรุงแต่งมันก็จึงเกิดนั่นมาเกิดสิ่งมีชีวิตขึ้นมาสิ่งมีชีวิตขึ้นมา ใช่ไหมชีวิตคือการคือการผสมของเคมิคอนขึ้นบนดียอยู่ในในดินน้ำดวงไฟนั่นเองใช่ไหมดังนั้นดินน้ำลวงไฟเมื่อผสมปูงแต่งได้กฎของอะไรไตรลักษณ์นั้นสาระของดินน้ำโวงไฟที่ถามเมื่อกี้คืออะไรก็คืออันนี้จังทุกขออ์ขันนาตา <c oughs> ใช่ไหมถ้าไม่มีกฎของอนิจจ well, right? ังไอ้ส so, so, so, so kind of ิ่งสามสี่อย่างนั้นมันมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมมันก็เกิดอะไรไม่ได้มันก็มันอยู่ใครอยู่มันนะใช่ไหมก็ไม่เกการเปลี่ยนแปลงไม่เกิดการปุงแต่งทั้นั้นกฎสากลของมันก็คือความเปลี่ยนแปลงของเมื่อผสมก็คือการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปลี่ยนแปลงมันคงที่อยู่ไหมไม่คงที่ก็เกิดการเสื่อมสลาย ความเสื่อมสลายคือความทุกข์นะแล้วก็เสื่อมสิ้นไปหมดไปก็เป็นอนัตตาและตัวอนัตตานี้ก็ตั้งต้นใหม่มาเป็นอนิจจังทุกขังวนก็อยู่อย่างนี้อันนี้คือกฎของรูปใช่หมห้าสี่เป็นรูปใช่ไหอิน้ำลมไฟเป็นรูปรูปจะต้องอยู่ภายใต้การกฎของอ น, นี้เสมอทีนี้ถามว่าอ น, นิจจงเนี่ยอะไรคือตัวสร้างอนิจจง เรารู้อ น, นิจังทุกข์ขันธตนาฏานีาาน่มันกฏสากลใช่ไหมถ้าถามต่อไปว่าอะไรสร้างอา น, นิจังก็ตัวตัวทุกข์ขันธ์สร้างอา น, นิจังอะแน่ใจนะเพราะว่าทุกขังคือทุกขังธคือเปลี่ยนตลอดเวลาเพราะเป็นตลอดเวลาก็เป็นอา น, นิจังเพราะว่ามันไม่ขึ้นอยู่กับใครเงินเอาให้ดีนะ้สอบตกคราวนี้เห็นได้เยอะเพราะอา น, นิจังเขาไม่เกิดทุกข์ขันธ์ใช่ไหม ทุกครั้งก็ขอขให้มันเกิดนหน้าตาทีนี้ดูให้ดีดูให้ดีอนิจจ์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้เพราะส่วนตรงกันข้ามส่วนตรงข้ามของอนิจจงคืออะไรนิจจ์แปลว่าไม่เที่ยงใช่ไหมตรงกันข้ามไม่เที่ยงคืออะไรไคือเที่ยงเพราะมีการเที่ยงความไม่เที่ยงมันจึงเกิด <c oughs> <c oughs> ใช่ไหม คิดทีดีนะนั่นคือคำว่าไม่เที่ยงมันจะไม่เกิดเพราะเราไปเทียบกับอะไรถึงว่าไม่เที่ยงเพราะไเทียบกับความเที่ยงใช่ไหมพอไม่เที่ยงมันยึงเกิดเพราะนั้นความไม่เที่ยงก็จะเกิดจากความเที่ยงนั่นเองแล้วทุกขังเกิดจากอะไรสิ่งเต็มกันข้ามกับทุกข์คืออะไรไม่ใช่สุขวันก่อนได้พูดแล้วว่าสิ่งเต็มข้ามกับทุกข์ไม่ใช่สุข สุกกระทุกเป็นอันเดียวกันอ่าความไม่ทุกข์ความไม่ทุกข์นั่นแหละเขาไม่เกิดทุกข์อ่าให้ดีแล้วสิ่งตรงข้ามของอนัตตาก็คืออัตตาเพราะงั้นถ้ามันไม่มีอัตตาเนี่เขาว่าอนัตตามันยังไม่เกิดถ้าอนัตตาเกิดขึ้นก็เพราะมันมีอัตตาอหละอืมนี่เห็นไหมมันอยู่ใกล้ๆงั้นเองแรรับมันอยู่เอานะทีนี้นะสาระ ของอนิจจังทุกขังอนัตตาคืออะไรเริ่มไปเป็นชั้นเป็นชั้นในเรื่องเจาะเข้าใกล้ตัวทุกทีแล้วนอนนี้นะเมื่อกี้เราถามทางสาระของธาตุสีใช่ไหมเราเจอแล้วคืออนิจจังทุกขังอนัตตาถามต่อไปว่าสาระของอนิจจังทุกขังอนัตตาคืออะไรอันนี้ให้คาตอบไปเรียบร้อยแล้วยังนึกไม่ออก อืมก็คือความเที่ยงสาระของความไม่เที่ยงความไม่ทุกข์ก็คือสาระของความทุกข์ความเป็นธรรมะเป็นสาระของคาว่าอัตตาแต่ไม่ใช่อัตตาความจริงอัตตาถ้าจะพูดกันแบบตรงๆแล้อัตตาเนี่ยเป็นสาระของอนตัตตาเพราะพระพุทธเจ้าใช้ อ, อัตตาหิอตัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตน ใช่ไหมแน่ท่านมีอัตตาแต่อัตตาตัวนั้นท่านหมายถึงธรรมไม่ได้หมายถึงอัตตาแบบเกิดจากการยึดถือเพราะฉะนั้นทีอัตตาอิจตโนนาโทใช่ไหมแต่ถ้าบอกไอ้มันอัตตานี่ไม่ดีนะแต่ทำไมฉันใช้คำว่าอัตตาอิจตโนนาโทล่ะเพราะนั้นคำว่าอัตตาตัวนี้พระพุทธเจ้าใช้คําว่าธรรมแทนเธอจึงมีตนเป็นที่พึ่งท่านขยายโดยคือมีธรรมเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นเกาะท่านขยายไปเธอจึงมีตนพิที่พึ่งอัตตาอัจตโนนาโท เพราะนั้นคําว่าอัตตาตัวนี้หมายถึงธรรมไม่ได้หมายถึงตัวเกิดจากอาวิชชาต่างๆประธานนะเพราะฉะนั้นอัตตาตัวนี้จึงเป็นตรงข้ามกับอนัตตาหมายถึงอัตตาที่พึ่งได้ได้แก่อัตตาที่เป็นธรรมนะตัวนี้จึงเป็นอัตตาที่เป็นเรียกว่าอะไรกเนนนเน็เป็นที่พึ่งได้ นะเป็นธรรมมดาดรวยวะพระชา่านกรรมวิภายณยศส่วนว่าหนาตาที่เป็นธรรมที่เกิดด้วยธรรมนะเมื่อที่เป็นไปตามกฎของอนิจังผู้ขังหน้าตาตัวนั้นนะดังนั้นเราจะเห็นว่าอันนี้คือสาระเป็นชั้นเป็นชั้นลงไปเราจะหาความเที่ยงได้อย่างไรเออตัวนี้เยเจาะเข้าไปใกล้กัอีกเรารู้ไมืกี้เราต้องการหาสาระของอนิจังทุกขังหน้าตาเราได้แล้วใช่ไหมก็คือนิจังแล้วก็อะไร เขาไม่ทุกอาทุ ก, กนะนะอทุกขังนะแล้วก็ตัวธรรมะในตรงข้ามกับนิจังทุกข์ังอนัตตาแต่ทีนี้อะไรคือสาระของมันก็คือตัวนิจจังสภาวะคงที่ใช่ไหมนิจังนิพานเป็นนิจังใช่ไหมนิพานเป็นสิ่งไม่ทุกนิพานเป็นสิ่งที่เป็นที่พึ่งได้เพราะฉะนั้นสาระของนิจังถึงอนัตตก็คือ นิพพานสาระของนิจังแล้วก็ทำแล้วก็มาความไม่ทุกข์ได้แก่นิพพานชุดยอดตรงนั้นนี่คือยอดของเจดีแล้วคือนิพพานเพราะฉะนั้นตัวนิพพานนี้เป็นภาวะที่มีอยู่แต่จะว่าเป็นของอนิจังก็ไม่ใช่ทุกขังก็ไม่ใช่อนัตตาก็ไม่ใช่แต่ว่ามันเป็นนิจังเป็นธรรมเป็นภาวะที่คงที่แล้วก็เป็นธรรมเพะภาวะที่ไม่ทุกข์ ตรงข้ามกับอนิจจังทุกขังหน้าตาเลยใช่ไหมก็เรียกว่าเป็นเราหาตัวนั้นเมื่อใดเราข้ามกฎของอนิจจังทุกขังหน้าตาปั๊บก็ไปเจอตัวนั้นเลย mm hmm. นะเรารู้ว่ากฎของอนิจจังทุกขังหน้าตานั้นมันจะเกิดขึ้นได้ในสิ่งที่เป็นรูปเท่านั้นใช่ไหม mm. เสียงเป็นรูปไหม mm hmm. สิ่งที่เห็นด้วยตาเป็นรูป mm hmm. เสียงก็เป็นรูปใช่ไหมกลิ่นก็เป็นรูป mm hmm. รสก็เป็นรูป สัมผัสเขาเป็นลูกก็ยังอยู่ภายใต้กฎของนิจางทุกครั้งน้านตาแล้วทีนี้ตัวนิพพานซึ่งไม่ใช่ลูกก็มีอยู่นั่นนิพพานอาศัยอะไรเพราะมีอยู่แต่ไม่ใช่ลูกเพราะาอาศัยอะไรอยู่ รูปทางตาลูกที่เห็นนี่ยอาศัยตาเกิดใช่ไหมเสียงอาศัยหูเกิดกลิ่นอาศัยจมูกเกิดรสอาศัยลิ้นเกิดเย็นร้อนอ่อแข็งสัมผัสทั้งหลายอาศัยกายเกิดอารมณ์อาศัยใจเกิดนิพพานอาศัยอะไรเกิดอาตอาให้ดีนะข้อสุดท้ายชักหวาดหัวอ้าวงั้นแล้วนี่ นิพพานไม่มีที่อาศัยถ้ามีที่อาศัยไม่ใช่นิพพานนะไม่มีที่อาศัยนิสิตอานิสิตเตอนิอันิสิตโตไม่มีที่อาศัยอันตรหาและทิฏฐิอาศัยไม่ได้เพวเป็นิพพานเป็นสภาวะขึ้นจิตเข้าไปรู้ใช่ไม่มีที่อาศัยมันมีอยู่ยา ง, งั้นตลอดการเหมือนอากาศในเงี้ย อากาศเนี่ยมันที่ที่เราหายใจนี่นะมันมีอยู่แล้วแต่คนเกิดมาต้องไปอาศัยมันถ้าไม่อาศัยอากาศนี้เราอยู่ไม่ได้อืมอากาศไม่ได้หายไปไหนนิพญานมันมีอยู่แล้วแต่ว่าคนไหนเกิดมาต้องการที่จะไม่ทุกขเนี่ยต้องเข้าไปอาศัยตัวนี้เหมือนกับเราต้องการที่มีชีวิตอยู่ต้องหายใจเข้าไปเพราะฉะนั้นภาวะนี้มีอยู่ เป็นภาวะที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีข้างหน้าไม่มีข้างหลังไม่ขึ้นไม่ลงไม่ไปไม่มาแต่มีอยู่แต่จิตรู้ได้จิตรู้ได้ที่นี่จะพิสูจน์ให้เห็นชัดๆเขารูได้ยังไงเก็มตัวให้ดีนะเดี๋ยวนี้นะอยตกมาอีกนะนี่นฟังไหม เสียงเกิดจากอะไรมือส<ะ>ิ่งกระทบกันมือกับกระดานกระทบเมือกันไม่มีเสียงนะตกระทบกันด้วยกาใช่หมเพราะนั้นเสียงไม่ได้เกิดจากสองสิ่งกระทบกันกใช่แล้วนะต้อเ ก, กิดมีาวด้วยอ่าจิตนาใช่ไหม เสียงเกิดจากเจตนาใจะให้มีหรือไม่มีใช่ไ่าทีนี้เสียงตรงที่เกิดเนี่ยมันก็เกิดมาจากเจตนาคือตัวใจนี่นะอืมทีนี้้คําว่าเจตนาเนี่ยมันเป็นธาตุอะไรธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเป็นอากาศธาตุเป็นวิญญาณธาตุเป็นธาตุอะไร เป็นวิญญาณธาตุใช่ไหมมันเกิดทางไหนเกิดทางโมโนุวิญญาณใช่ห ม, มอ่ามนุสันเจตนาเสียงสิ่งที่เป็นรูปเนี่ยอาศัยเจตนาเกิดแต่นิพพานนี่ต้องอาศัยเจตนาไหมไ ม, ไม่เจตนาใช่ไหมอืทีนี้หลังจากหูได้ยินเสียงแล้วเนี่ยถามว่าเสียงนั้นหายไปไหน อืมฮะเกิดขึ้นแล้วก็ดับนะดับเกิดดับหมายถึงว่าการได้ยินดับไปแล้วอะไรเกิดขึ้นมาแทน ส, ญญสัญญาจําเสียงได้แล้วก็สัมผัสปรุงแต่งต่อแอแต่ว่าในกรณีที่เราไม่ได้ปรุงแต่งเราไม่ได้จดจําเสียงนั้นนะก็เป็นวิญญาณเฉย เป็รู้เฉยๆตัวรู้เฉยๆเพราะฉะนั้นสภาวะของนิพานเนี่ยเป็นภาวะที่รู้ที่รู้ได้รู้ได้ด้วยใจและรู้เฉยๆนะยังไม่เป็นอะไรในตัวรู้ตัวนี้อาศัยอะไรเกิดอาศัยใจเกิด ท, ทั้นเราจะถามว่าใจอาศัยนิพานเกิดล้่นนิพานอาศัยใจเกิด น่าจะเส็นิพพานอาศัยใจเกิดแต่ว่าไม่พานไม่ได้เกิดเพราะว่าใจเพราะนิพพานมีเฉยๆเพียงแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นลมหายใจนี้อาศัยกายเกิดหรือกายอาศัยลมหายใจเกิดต้องถามสมมติฐานตรงนั้นก่อนนัลมหายใจอาศัยกายเกิดแต่ขณะเดียวกันกายก็อาศัยลมหายใจอาศัยกายจิตนั่นก็เรียกกฎของอิทัพปจิจัตา นะอาศัยซึ่งกันและกันใช่ไหมนั้นตัวภาวะที่ว่ามีอยู่เนี่ยเป็นภาวะที่นิพพานนั้นไม่ใช่เป็นภาวะที่อยู่ใดโดยที่ไม่มีเหตุมีเหตุให้อยู่เป็นเหตุเป็นผลใช่ไหมนิพพานไม่ได้อยู่โดดๆเป็นภาวะของเหตุปัจจัยเหตุถูปัจจัยอยู่มีเหตุมีปัจจัยจึงเกิดถ้าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยก็ไม่เกิดเห็นไหมเข้าไปสู่ตัว อิทัิปยาตานั่นเป็นกฎสากลของสิ่งที่พุทธเจ้าได้สรู้กฎอิทัิปยาตาครับกฎปฏิจจสุบาทนั้นต่างกันกฎปฏิจจสุบาทนั้นเป็นกฎของให้เกิดทุกสิ่งที่เป็นรูปทั้งหลายเนี่ยที่จะทําให้เกิดทุกข์ทั้งหลายเนี่ยต้องมาท่านเรียกว่ากฎของปฏิจจสุบาทอาศัยการอะไรการเกิดทุกข์แต่อิทธิปยาตานั้นไม่ใช่กฎของปฏิจจสุบาท เป็นกฎการเกิดขึ้นอาศัยกันเป็นสิ่งสากลแม้แต่นิพานก็อาศัยกนี้เกิดคือกฎของอิทัพปยาตาเพราะมีใจจึงสัมผัสรู้รับรู้นิพานได้ถ้าไม่มีใจนิพานก็รู้ไม่ได้นะถ้ามีนิพานถ้าไม่มีใจนิพานก็ไม่ปรากฏถ้ามีใจถ้าไม่ได้เข้าไปศึกษาตัวรู้ตัวนีน้นิพานก็ไม่เกิดเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่คือกฎของของกันเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดพระพุทธเจา้าท่านพบกฎอันนี้ใช่ไหม ท่านจึงประกาศเต็มที่เลยเพราะมีสิ่งนี้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดจากเหตุปัจจัยดังนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อที่จะได้เห็นว่าภาวะที่เราหวังเราปรารถนาเนี่ยมันไม่ได้อยู่นอกเหนือวิสัยของเราแต่ว่าอาศัยทำให้ถูกเหตุถูกปัจจัยของเขามันก็เกิดนะเหมือนกับเราลมหายใจเนี่ย ถ้าสมมุติเหตุปัจจัยมันไม่พร้อมเนี่ยลมหายใจมันจะหยุดอาดือดเดือใช่ไหมต้องสร้างเหตุปัจจัยเสริมเช่นบางคนต้องสะพายอะไรเอาใช่ใช่สร้างเหตุปัจจัยเสริมถึงจะอยู่ได้ใช่ไหมเพราะอะไรเหตุปัจจัยข้างนันมันไม่พร้อมที่จะทําทงานทั้งวันแก็ต้องเสริม น, นะนี่เหตุ ป, ปัจจัยอยู่เพราะฉะนั้นกฎอัน น, น, นี้เป็นกฎสากลที่เรารู้เรื่องนี้เพื่ออะไร เพื่อที่จะเห็นความจริงเข้าไปเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นแล้วมันจะทําให้เราสลายตัวตนได้ใช่ไหมทําให้เราเห็นว่าเออวันใดวันหนึ่งเรานึกถึงว่าฉันอย่างนี้ฉันอย่างนั้นปั๊บเนี่ยเราก็ต้องถามตัวเองว่าฉันตัวนี้มาจากไหนไงใช่ไหมถ้าเราได้ฝึกฝนปฏิบัติมาปั๊บเนี่ยมันจะไม่เข้าไปติดยึดในฉันอฉันเบื่อฉันขี้เกียจ เบื่อขี้เกียจมันมีอยู่ก่อนหรือเปล่ามันก็ได้มีอยู่ก่อนมันเกิขึ้นตอนมีอะไรมีฉันนี่แ <laughs> ค่ถ้าะงั้นจะให้เบื่อให้ขี้เกียจมันหายไปก็ง่าย <จะ S 1> นิดเดียวเอาอะไรออกเอาฉันออกเอออกท่านั้นเองมันก็ล้มตึงเลยใช่หเชหม็มเพราะฉะนั้นนี่กฎที่มันดูเหมือนง่ายแต่ว่าไม่ใช่ง่ายถ้าเราไม่ได้ศึกษาอย่างเห็นชัดเจนนะเพราะฉะนั้นจึงอยากจะให้ทําไปก่อน ทำไปไม่รู้ก็ทําไปก่อนแต่ว่าไอ้ตัวรู้ที่มันสั่งสมเข้าไปโดยเจตนาที่ถูกต้องนี่แหละมันถึงรอบของมันปั๊บเนี่ยมันก็จะปรากฏตัวของมันเองสมมุติว่าไฟนี่มันจะสว่างได้อย่างเนี้ยเครื่องทําไฟเนี่ยต้องหมุนประมาณสองพันรอบต่อวิอย่างเงี้ยนะแต่ถ้ามันหมุนประมาณสักห้าร้อยรอบต่อวิเนี่ยแสงนี่ก็ยังไม่เกิดก็เกิดไม่สมบูรณ์อย่างงี้นะเหมือนกันนะตัวสติ สมัญญาปัญญาตรงนี้จะให้เกิดความรู้อะไรชัดเจนเนี่ยมันจะสมบูรณ์มันจะต้องได้รอบองมันก่อ น, น, นไอ้การสร้างตัวรู้เรื่อยๆคือสร้างรอบให้มันมากขึ้น้มันจัดรอบสร้างรอบของตัวนั้นให้มากขึ้นเรเียกความถีในการที่จะเข้าไปรู้เท่าทันสมมุติว่าเราความคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยมันก็ยังรู้อยู่นะมันคิดแต่มันก็ยังไม่ดับทั้งๆ ท, ที่รู้อยู่นั่นแสดงถึงรอบของอะไร ยังไม่พอรอบของสติไม่พอที่จะไปไล่ความมืดอันนั้นนะเพราะฉะนั้นพอเราเปิดไฟปั๊มเนี่ยไ อ, ไอเครื่องทําไฟมันทําแค่ห้าร้อยหร้ยโวล์นนะ่ะะแต่คนจริงมันต้องถึง200ร้โวล์นี้นะไฟมันก็ยังไม่สว่างความมืดกอยังขังพื้นที่นั้นอยู่ยึดพื้นที่นั้นอยู่เราก็เป็นเร่งเครื่องให้จนถึงสองพันรอบต่อวิเนี่ยแสงสว่างก็ไล่ความมืดต่ อ, อทันทีนะตรงนี้พระพุทธเจ้าท่านก็เลย อุทานพอ เ, เห็นตรงนี้นะที่เราสวดอะยะทาหาเวปาทุพวันติธรรมาอาตาปิโนชายะตูพัะมณสะอาตาสังฆฆาวะปะยันติท่านท่านอุทานออกมาถึงสามรอบเลยน ะ, อะรอบที่สองยะราหาเวปาตุพวันติธรรมาเปิดหนังสือไปดูที่หน้าพระอาจารยเพื่อที่จะเห็นหลักฐานชัดเจนว่าท่านท่านอุทานออกมาตรงนี้เพราะทําไปเลาะจริงๆ หน้ า, าประมาณ3า3สสีาิบนี่หรือเปล่าดูนะเพราะว่าในจุดนี้เราจะเห็นว่าความตัดสู้ของพุทธดจ้าเนี่ยชัดเจนแจ่มแจ้งหน้าส8หน้า38ลักข้างล่างพุทธคาถาพุทธอุทานคาถาเห็นหมเมื่อใดทำทั้งหลายปรากฏแก่พรามหมายถึงผู้ปฏิบัติผู้มีสติปัญญาเพล่งเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัย ทั้งปวงของครามนั้นย่อมสิ้นไปเพราะอะไรเพราะรู้แจ้งชัดว่าทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุมีเหตุมีปจัจจัยเกิดนี่เกิดแต่เหตุกันนะข้อ ท, ท, ที่สองเมื่อใดทำทั้งหลายปรกกากฏแก่ความผู้มีสติปัญญาเพียงเพ้ยอยู่เมื่อนั้ น, นความสงสัยของคามนั้นย่อมสิ้นไปเพราะรู้ว่าความสิ้นไปแห่งปัจจัยทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยใช่ไหมอันแรกรู้เหตุใช่ไหมอันที่สองรู้ปจัจจัยอันที่สามอะไเงี้ยอันที่สามเว่า ความนั้นย่อมกำจัดมาและเสนามานดำรงอยู่ได้ดุจอาทิตย์กำจัดความมืดส่องสว่างอยู่ฉันนั้นคือกำจัดเกิดความรู้ขึ้นมาคําว่ามารและเสนามารท่านหมายถึงความมืดนั่นเองความมืดคือความอคิดปรุงแต่งทั้งหลายนีย่ออกมาในรูปแบบต่างๆของนิวรณ์บ้างมานห้าบ้างออกมาในรูปแบบของอุปสรรคต่างๆคือความมืดนั่นเองส่องสว่างเพราะเพราะอะไรเพราะรู้เหตุปัจจัยของสิ่งนั้น ว่ามันเกิดเพราะมันไม่ได้เกิดขึ้น ล, ลอยๆมานมาก็มีเหตุมีปัจจัยพยามาณมาก็มีเหตุมีปัจจัยให้เกิดเมื่อรู้เหตุปัจจัยของที่ไปที่มาของสิ่งนั้นปั๊บมันก็ดึงออกเท่านั้นเองอ่าไอ้ตัวนั้นมนันก็ดับไอ้ตัวมานทั้งหลายมันก็ดับเพราะรู้ท่ากล่ว่ามันไม่ใช่ของของเรา ม, มันเป็นไปตามเหตุตามเหตุตามปัจจัยเราเกิดขึ้นมารับรู้มันเท่านั้นเองแต่ถ้าหากว่าเราไม่มาปฏิบัติธรรมเราไม่เกิดมิปัสนายานเราก็เข้าไปยึด ในสิ่งที่มันเกิดจากเหตุปัจจัยว่าเป็นของเราทุกมันถึงเกิดยังไงทุกมันถึงเกิดทุกเกิดเพราะมีเราเกิดแต่เมื่อใดเราจะถอนตัวเราเออกมาได้เนี่ยก็ต้องมาศึกษาจนให้เห็นกระบวนการของคําว่าเรามาจากไหเรามาจากความเหตุที่หนึ่งที่จะให้เกิดเราคือหนึ่งอะไรเหตุตที่อัตราตัวนี้มันจะเกิดอย่าลืม ทบทวนอีทีเกิดจากความไม่รู้สึกดัวเรียกว่าอาวิชชาใช่ไหมอวิชชาก่อให้เกิดสังขารเ <c> ก <oughs> ิภูมิแ่ ง, แงเข้าไปสู่กอดทองอิทับปัจจัยกอดของปฏิเสธสว่างเลยใช่ไหมอ่าแล้วก็สังขารภูมิแดงก็เกิดทําให้เกิดการรับรู้เกิดตัววิญญาณเกิดนามรูปขึ้นมาละวใช่ไหมตัวน อ, อ่อนของไอ้อัตานามรูปนะั้นน่ยอ่า นามรูปก่อให้เกิดพราะมีอัตตาแล้วก็เกิดผัสสะเกิดเวทนาเกิดตระหาักเกิดอุปทานชาติพบไปเรื่อยๆแล้วทีนี้อัตตาก็เกิดอัตตาเริ่มเกิดตั้งแต่เกิดนามรูปใช่ไหมพอที่เห็นชัดที่สุดก็เกิดตระหาอุปทานกรรมกรรมตัว น, นั้นเป็นอัตตาแล้วนั่นมาจากดวงวิชาทีนี้ในการที่จะถอนอัตตาก็ต้องมาถอนที่ไหนทีเนี้นถอนอวิชา เปลี่ยนตัวอวิชชาให้เป็นวิชาคือให้รู้สึกตัวเห็นไหมนี่คือจุดที่ผู้รู้ทั้งหลายเจาะตรงนี้ตรงนี้จุดเดียวเท่าน่ะพอเจาะตีตีตรงนี้แตกปั๊บเนี่ยทุกจุดมันจะคือมันล็อกไว้รวมกันนะทุกจุดมันก็จะหลุดออกหมดเลยมันน็อตที่มันหมุนเรื่ไปมันก็คุมทั้งหมดเพราะน็อตตัวนี้หลุดตัวอื่นหลุดหมดแต่ว่าไอการที่จะหมุนตัวนี้ออกมาได้ยไม่ใช่ง่ายเลย เราก็จะต้องมาสร้างตัวรู้สึกตัวเนี่ให้มันเต็มรอบของมันนะให้มันเต็มรอบของมันจนกระทั่งว่ามันเต็มรอบปั๊บมันเกิดแสงสว่างขึ้นมาแสงสว่างที่เต็มรอบแรกเนี่ยเรียกว่าเห็นกระแสของความรู้สึกตัวที่เราพูดไปเมื่อวานใช่ไม้มเห็นสี่ชั้นสี่ระดับระดับแรกก็เห็นกระแสความรู้สึกตัวก่อน ระหว่างกระแสะกายกระแสะจิตกระแสะความคิดอันไหนเป็นกระแสะความคิดอันไหนเป็นกระแสะความรู้คื ก, กตัวต้องเห็นตรงนี้ให้ชัดก่อนรอบแรกนะรอบที่สองเห็นใกล้เข้าไปอีกเห็นกระแสะลึกเข้าไปอีกนะแทนที่เราจะไป อ, อยู่ในกระแสะของฝ่ายอัตตานานๆเหมือนเมื่อก่อนที่เราไม่รู้นะพอเรารู้ปั๊บเนี่ยเข้าไปอยู่ในกระแสะของอัตตาเพียง มาอยู่กับระแสความรู้สึก2 5่้เพอตัวรู้เต็มขึ้นไปรอบที่2เข้าไปรู้กระแสของอยู่กระแสาาตาห0อยู่กระสความรู้สึก 50% นครึ่งตัวครึ่งแล้วทีเนี้ยพอทาเข้าไปอีกไปอยู่ในแฉ่สายความรู้สึกตัวถึง7จ็ือเป็นไม่รู้สึกตัวแค่20่0พอทาต่อไปอีกปัญญาสมบูรณ์พร้อมไปยังตัด20อออกหมดเลย เป็นกระแสความรู้สึกตัวโดยสมบูรณ์เพราะฉะนั้นคําว่าพระอรหันต์นี่ถ้าไม่ไ ด, มได้แปลว่าผู้หองื่อเดินอากาศได้ผู้วิเศษใช่ไหมแปลว่าผู้มีสติสมญะสมบูรณ์เท่านั้นใช่ไหมเมื่อมีสติสมญาสมบูรณ์จนกระทั่งว่าความหลงลืมเข้าไม่ได้ถรือความปุ่งแก่เข้าไม่ได้คําว่าหลงลืมในในในภาคปฏิบัติภาคไอ ปฏิบัตินี้ท่านหมายถึงหลงลืมตัวรู้นะไม่ได้ลืมลืมภายนอกลืมนั้นลืมนี่นั่นอันนั้นเป็นอาการของขันห้าขันห้ามันยังเป็นอยู่ภายใต้ของอ น, นิจจังพวกขันห้าตาใช่ไหม น, นั่นเป็นกฎของมันไอ้ปฏิบัติทําแล้วยังลืมก็เพราะอะไรเพราะมันปีนแค่สัญญาแล้วใช้แค่สัญญาข้างนอกใช่ไหมแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านไม่ลืมเลยก็คื อ, อความรู้สึกตัวไม่เคยลืมเลย อ, อาจจะข้างนอกเดี๋ยวลืมนั้นลืมนี่มัวไปหมด แต่ว่าข้างในไม่ไม่ลืมเลยไม่ลืมความรู้สึกตัวท่านหมายถึงตัวนั้นที่ไม่หลงลืมตัวนั้นนะไม่ได้หมายถึงสัญญาภายนอกสัญญาภายนอกก็ขึ้นอยู่กับกฎของอนิจจังทุกขังนัตตาเหมอือนเดิมเพราะสัญญาอา่าภายนอกคือขันห้าเนี่ใช่ไหมเป็นสัญญาภายนอกก็ต้องอาศัยอีู่ภาใต้กฎของอนิจจังทุกขังนัตตาแต่ตัวไม่หลงลืมที่เกิดขึ้นภายในที่เป็นกฎของปรมันเนี่ยอันนี้อยู่เหนือกฎของอนิจจังทุกขังนัตตาไอ้ความหลงลืมตัว ลืมที่จะดับทวกนั้นไม่มีเลยมันไม่ลืมเลยเพราะมันเป็นตัวรู้ตัวนั้นเสร็จแล้วตอนนี้ต้องให้ชัดเจนในในกฎอันนี้แล้วการปฏิบัติของเราก็จะเห็นชัดแล้วก็ถึงแม่เห็นชัดวันนี้เราก็มั่นใจในสติตัวเล็น้อยที่มันกำลังเกิด น, นี่ยนะแล้วก็มุ่งมั่นตัวนี้แต่ทําให้ถูกต้องให้เห็นให้ถูกต้องเมื่อไหรความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องเอกใจทันทีเอ้นี่มันไม่ใช่ต้องเข้าไปทบทวนทันทีว่ามันมันขีดขั้นตอนตรงไห น, หน เราก็ตั้งต้นใหม่บางทีไม่ต้องไปเสียเวลาคิดหาที่ไปที่มาของมันทิ้งไปเลยอันไหนคิดว่าไม่ถูกต้องทิ้งไปเลยตั้งต้นทําให้ถูกต้องใหม่แก้ไขไปเรื่อยแก้ไขไปเรื่อยแล้วก็สั่งสมการรู้ที่ถูกต้องไปเรื่อยๆมันก็จะวันใดวันหนึ่งที่มันถึงพร้อมท่านจึงกําหนดเวลาเอาไว้ไงหนึ่งวันเจ็ดวันเก้าสิบวันปีหนึ่งถึงเจ็ดปีเนี่ยท่านกำหนดเอาไว้ว่ามันจะเต็มรอบก่อนไหนเท่านั Finanz, า้นภายในท่านใช้คำว่าภายในแล้วก็ทําไม่หยุด ถ้าม่หยุดการกำเนดรู้ไม่หยุดศึกษาไม่หยุดทำความเข้าใจในเรื่องนี้ก็เป็นไปเรื่อยๆดังนั้นเรื่องนี้มาถั้ว่าเป็นเรื่องที่มันเป็นปรูปธรรมนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะเดาจะคิดเอาได้นะใช่ไหมมันมีกฎมีกฎิกามีปริยัติอะไรรับรองชัดเจนตรงกันหมดเลยจากประสบการณ์ ข, ของครูบาอาจารย์ที่เราได้ศึกษามาจากประสบการณ์ ข, ของเราเอง เ, เราก็เห็นชัดแจ้งในกฎอันนี้ก็ได้หายสงสัยเพราะนั้นชีวิตที่หายสงสัยเนี่ยเป็นชีวิตที่พ้น เพราะนั้นชื่อของอีกชื่อหนึ่งของพระลหันคือใช้คําว่านิกรรมโโหแปลว่าอะไรผู้ข้ามพ้นความสงสัยผู้ไม่มีความสงสัยไม่สงสัยในเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับชีวิตเนี่ยไม่สงสัยนะจะอยู่อย่างไรจะไปอย่างไรจะเป็นอย่างไรจะตายอย่างไรนะแล้วก็ไม่สงสัยเรื่องความตายด้วยแล้วก็ไม่กลัวความตายด้วยเพราะฉะนั้นออกมาจึงคําถามคำถามสุดท้ายว่า อะไรที่น่ากลัวแต่เรานี่ไม่พน้นเพราะนั้นจึงไม่ใช่ความตายเพราะพระอริยเจา้าท่านไม่กลัวความตายใช่ไหมแต่ท่านกลัวความเคยชินเราเรียกชื่ออีกหนึ่งก็คืออาสวะเช่อไหมพระอนาคามีก็ยังมีอาสวะอยู่นอกจากพระอาหารหันต์เท่านั้นที่ขจัดความเคยชินนั้นนี้ได้พระสิกขาพระโสดาสิกาคาณาคาเนี่ยังมีความเคยชินอยู่นะส่วนจะมากจะน้อย ่นั้นเองหล่อฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เป็นรูปธรรมที่พิสูจนได้เห็นชัดเจนนะไม่ใช่เราจะนึกคิดขึ้นมาพูดตามทฤษฎีนั้นทฤษฎีไม่ใช่แต่มันเป็นประสบการณ์ที่เราเข้าไปสัมผัสแต่ในกรณีหนึ่งที่เราจะสับสนก็คือนี่พึงระวังเอาไว้เรื่องกรรมและผลของกรรมเรื่องวิบากกรรมแม้แต่พระหันบรรลุธรรมแล้วนี้ไม่ค้นวิบากกรรมนะเคยได้ฟังหมใช่ไม้มเรื่องของ มุคราณะก็ดีเรื่องของพระองคุลิมานก็ดีเรื่องของพระอะไรที่พูทธเจ้าตัดไปแม้กระทั่งงานภาษาลิบุตรเนี่ยนะวิวากรรมที่ว่าท่านไปไหนชอบว้มากอะไปจนคนอื่นสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเป็นพระราหารันไปอคราสาวกต่้ทำให้ท่านไว้เหลือเกินนะเหมือนไม่มีความสงบลงว่าระวัง วิบากรรมท่านเคยเป็นลิงมาห้าร้อชาตินะครับท่านเกิดเป็นลิงมาถึงห้าร้อชาติแล้วก็ตัววิบากกรรมนี้ท่านสเสวยแต่ในส่วนกายแต่ในส่วนจิตนะอันนี้อันหนึ่งนะดึงกรรมมาหนึ่งนะจิตไม่สเวสเวยเสวยแต่กายแล้วก็อีกอันหนึ่งคือวาสนาวาสนากับอาสวะนี่คนละอย่างนะวาสนาคือ วา ส, สนาคือสิ่งที่เคยทํามาอย่างพระสารีบุตรที่ท่านเป็นเ้นก็เป็นวิ ส, สนาของท่านของใบท่านเคยเกิดเป็นลิงอย่างนี้นีแล้วก็พระเถระรุ่งหนึ่งที่เป็นพระบรนณอกนะแต่บรรลุพระอรหันตะ์แต่วา ส, สนาของท่านเป็นคนบรนณอกก็คือการใช้คําพูดคำจานะแล้ท่านจะจะจะจันไออีกูเมืองเหมือนกับพวกคูเนี่ยว่า ง, งั้นเถอะทีนี้พอไปอยู่ร่วมกับพระที่เป็นผู้ดีในเมืองใช่ไหมท่านก็เอไอเอลทำไมหนูพระพุทธเจ้ารับรองพระองค์นี้เป็นอรหันต์แต่ทำไมใช้แคาพูดไออีกูเมืองอย่างเนี้ย ไปถามพระพุทธเจ้าบอกอันนั้นเป็นวาสนาของเธอเธอลรางไม่ได้เรากวาสนานี้นอกจากพระพุทธเจ้านี้พระอรหันต์าษาวกก็รับไม่ได้นะแทนเปียดเสมือนอย่างนี้เหมือนขวดเหล้าขวดเบียร์เนี่ยที่ใช้กินแล้วหมดแล้วนะแต่ว่ากินมันหมดไปไหมกินมันก็ยังมีอยู่ขวดน้ำมันกานนี้นะท่านที่ใช้หมดไปตั้งนานแล้วแต่กิ่นน้ำมันกานก็มีอยู่นั่นคือวาสนาสิ่งที่เคยอยู่มาก่อนสิ่งนี้เราต้องไม่สับสนต้องไม่ไม่ไม ไม่ไม่มันเป็นกฎของธรรมกฎมันเป็นอย่างนั้นในเรื่องการปฏิบัติจึงทำให้เราเข้าใจในเรื่องของกฎสากลของนา ม, มาธรรมนะถ้าพูดถึงเรื่องรูกกำน้งนี่หนึ่งว่าในสิ่งที่จะทำให้เกิดทุกข์ทางกายเนี่ยมันเกิดจากทางลูกนม้มใช่ัหมเกิดจากรูปนม้มทุกทางกายแต่ว่าทุกข์ทางจิตเนี่ยเกิดจากอะไร เกิดจากนามรูปใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกทางกายเนี่ยท่านไม่ได้ถือว่าเป็นทุกขท่านถือว่ามันเป็นธรรมชาติที่จะต้องเป็นไปนตามกฏของอะไร<ช> อ, อันนี้จังทุกขังหน้าตาเพราะมันเป็นรูปใช่ไหมอรูปอะไรก็ตามแต่นามรูปก็มีรูปอยู่ใช่ไหมแต่ถ้าเรายังมีนามรูปทุกก็ต้องเกิดทางใจเพราะฉะนั้นเหตุให้เกิดทุกทางใจอีกข้อนึงก็คือนามรูปใช่ไหมวิชาเกิดสังขารสังขารเกิดวิญญาณวิญญาณเกิดนามรูปกรนั้น นั่นในเมื่อเรามีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมจนว่าการปรุงแต่งไม่เกิด น, นามมารรลุไม่เกิดเนี่ยตัวนั้นมันก็ทุกมันก็หมดเพราะไม่มีนามมารลุนามบรลุตัวนั้นคือตัวสร้างอัตตาใช่ไหมแต่มันจะเหลืออันหนึ่งที่เรียกว่านามนามนี่คาว่าสติเนี่เป็นอะไรเป็นนามบรรลุหรือ เ, เป็นนามที่เฉเลีเป็นนามเฉลียนะพวกชื่อธรรมทั้งหลายเนี่ยเป็นนาม นะไม่ใช่นามรูปแต่นามรูปเราเป็นแบบไหนอ่ะมันเป็นสิ่งซึ่งเราไม่ได้สร้างขึ้นมาเองนะยกยกก็คือเป็นนามรูปถ้าความคิดเนี่ยเป็นนามรูปใครคนสร้างก็ต้องหลอกางขึ้นมาใช่ไห <c oughs> ม นั่นหมายความว่าในตัวนามนั้นเป็นสภาวะที่เป็นประมะจิไม่มีรูปอยู่ในนั้นแต่ว่าที่เราเรียกว่ารูปนามนั้นนะหมายถึงว่าในส่วนรูปก็คือเป็นไปตามกฎของอนิจจังทุก ข, ขังนาตตานะแต่ในส่วนนามจะอยู่เหนือกฎตัวนี้นะเหนือกฎของอนิจจังทุก ข, ขังนาตาเพราะนั้นในชื่อ สภาวะทั้งหลายเนี่ยเราชื่อเรียกชื่อสภาวะธรรมทั้งหลายเนี่ยมันเป็นนาำนะมันเป็นน้ำเพราะฉะนั้นตัวปัญญาก็เป็นนามตัวสมาธิก็เป็นน้ำตัวสติก็เป็นนา ม, ต, นนามตัวขันติก็เป็นน้ำเป็นนามหมดพวกนี้ไม่มีลูกนะดังนั้นแล้วก็ในสภาวะน้ำที่เป็นปรมามัตดอย่างนี้ก็เรียกว่าปรมามัตดมันมีสี่ใช่ไหมจิตเดเดสิกรูปแล้วก็นิพานเป็นปรมามัตดแค่สอย่างนี่ แต่ถ้ารูปนี้ถ้าเมื่อไรไปไปสมมุติมันขึ้นเนี่ยเป็นเป็นเป็นเป็นสมมุติไม่ใช่ปรมันละเพราะถ้าเป็นเป็นรูปอย่างเงี้ยอย่างี้พวกรูปข้งหลาเนี่ยมันก็เป็นปรมัตดได้แต่ถ้าหากว่าเป็นสีดำสีขาวขึ้นมานี่ไม่ไม่ใช่เป็นรูปแล้วนะกลายเป็นสมมุติไปละแต่ถ้ามันรู้ว่าเป็นรูปเฉยๆเนี่ยยังไม่ได้แยกแยมแยกขาวยังไม่ได้แยกว่าที่นั่งมันก็ยังเป็นปรมัตดอยู่แต่เมื่อไรเราไปเห็นว่าเป็นสีดำขึ้นมาปั๊บมันเป็นเป็นสมมุติละ มีปัญหาละเพราะฉะนั้นใน ต, ตัวในรูปเองมันก็เป็นเป็นปรมัดได้แต่ว่าต้องเป็นรูปล้วนที่ยังจิตยังไม่เข้าไปเกี่ยวข้องแต่เมื่อใดจิตเข้าไปเกี่ยวข้องปรุงแต่งปั๊บเป็นสมมุติขึ้นมาเป็นเหตุของทุกขล์ละนั้นในจุดนี้จึงว่าการเจริญสติในน้อยเนี่ยเมื่อเราเข้าใจชัดแล้วมันจะเข้าไปรูป้ไปเห็นสภาวะธรรมต่างๆของมันเองโดยที่เราอาจจะไม่รู้จักภาษา ปรมัดแต่ว่ามันก็เป็นภาษาของมันเองแต่เราที่จะนําไปสื่อกับคนอื่นเนี่ยเราต้องใช้ความประสบการณ์ของเรานะใช้ความประสบการณ์ของเราแปลงตัวปรมัตดให้เป็นสมมุติขึ้นมาเพื่อจะไปสื่อภาษาเท่านั้เองในสมมุติภาษาเรียภาษาคนนะฮะดังนั้นเรื่องนี้จึงอยากจะให้ศึกษาให้ถูกต้องแล้วก็การเก็บ สติความรู้สึกตัวอะไรต่างๆเนี่ยต้องทําลักษณะสามอย่างตืงนตงงต่นรู้เบิกบานนะเมื่อไหรเราอยู่ในสภาพ ว, ว่าไหนที่มันเสี่ยงต่อกันไม่รู้ไม่ตื่นไม่เบิกบานต้องปรับต้องเปลี่ยนทันทีแต่ถ้าหาว่าเราไม่มีประสบการณ์นะั่นงง่วงเขาง่วงอย่างนั่นแหละไม่ปรับไม่เปลี่ยนเพราะเขาง่วงมันไม่ได้จู่ๆเกิ ด, ดใช่ไหมมันจะต้องมีอาการแต่เรารู้อาการแล้วเราก็ยังไม่ปรับไม่เปลี่ยนเนี่ยแสดงว่าสติมันมาไม่ทันสติมันยังรอบมันยังต่ําอยู่รอบมันยังอ่อนอยู่ เมื่อเรารู้ว่ามมีอาการผับเปลี่ยนเลยนั่นไม่ให้มันอยู่ในอาการเสี่ยงนะเรารู้ว่าอาการที่ง่วงหนักขึ้นเนะี่ยตัวสติสัญญาเป็นไงก็อ่อนใช่ไหมเมืม่ออ่อนปั๊มันก็สู่มเสี่ยงต่อต่อการที่จะขาดสติเราก็ต้องเปลี่ยนทันทีแต่ทําไมเราจึงจมนกับมันได้เพราะมันมีอะไรความง่วงก็มีอาสาทะมีรสชาติอยู่ บางครั้งเราก็เจตนาที่จะง่วงทั้งๆที่รู้ว่าตอนนี้อาการจะง่วงเกิด แ, แล้วเราก็แช่อยู่นั่นแหละเพราะมันมีอาสาทธะอยู่คือความรสชาติทังมันนะเพราะฉะนั้นกิเลสทั้งหลายที่มันที่มันมีสเสน่ห์ที่คนติดเพราะมันมีอาสาทธะใช่ไหมเราไปกินอาหารร้านไหนมาอร่อยไหมไม่เคยเข้าไปครั้งที่สองแลใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าร้านไหนอร่อยเนี่ยโอ้โับเข้าไม่ท้วนอ่ะอสาทะเป็นตัวจูงใจคนจึงมาติดอยู่ตรงนี้ติดอยู่ตรงอาสาทธะคือรสชาติ ของธรรมชาติเพราะนั้นตัวอาสาทะนี้จึงเป็นเครื่องมือของมารเป็นบ่วงทั้ก็เป็นบ่วงของมารที่จะดักสัมภษัตรทั้งหลายเข้าไปติดตรงนั้นนะถ้าถาหากว่า อ, าออกจากอาสาทะได้นี่มารก็จับเราไม่ได้ต้องศึกษาเรื่องนี้ให้ดีนะในรสชาติอะไรก็ตามรสชาติที่เกิดจากตารสชาติที่เกิดจากหูรสชาติที่เกิดจากลิ้นรสชาตที่เกิดจากกายรสชาติที่เกิด จ, จากใจอืม ใจที่มันชอบอะไรใช่มันก็มีอาสาธรในเรื่องนั้นชอบเรื่องเล่นการพระนั้นเล่นอะไรต่างๆทั้งหลายนี่แต่ถ้าสมมติว่าชอบธรรมะเนี่ยถือว่าเป็นอาสาถรมไหมตรงนี้ท่านใช้คําว่าธรรมปฏิท่รราไม่ใช้คำอาสาธรรมิติว่งธรรมหันสาว่างวไม่เป็นอาสาธรรมตรงนี้ถือว่าเป็นองค์แห่งการรู้แจง้งองค์แห่งการบรรลุธรรมได้ถ้ามีธรรมเป็นธรรมรุท่านใชว่าธรรมารุ รถแถท่ทธาก็คือวิมุติรถท่านว่ารถแห่งการพ้นนาเพราะฉะนั้นวันนี้คุยกันในเรื่องของอจจอเหตุปัจจัยเหตุตัวปัจโยซึ่งการเกี่ยวเนื่องเป็นลักษณะศึกษาเรื่องปฏิจจสุบาทและอิทธปัจยตาแบบธรรมชาติซึ่งไม่ยากเลยใช่ไหมไม่ยากากันวก็เรามายายาที่จะไม่ใช่สับอะไรมากนะให้เห็นภาพชัดเท่านั้นเอง แต่มันก็มีนิทานประกอบหลายอย่างแตมไม่ต้องเล่านิทานผู้ใหญ่ละถ้าเป็นเด็กมีมีนิทานเรื่องนี้ประกอบสนุกสนานดีนะนั่นเรื่องเหล่านี้อยากจะให้ไปสังเกตไปศึกษาเรียนรู้อย่างเข้าใจแล้วมันจะสนุกในการปฏิบททัติธรรมนะแล้วเข้าใจต้งคือเราต้องดูให้ให้ประเด็ให้ละเอียด การลุกการนั่งการย่างการเดินเป็นยังไงแต่ดูให้เข้าใจนะถ้าดูแบบไม่เข้าใจมันจะเพ่งนะใช่ไหมมันจะเพ่งมันจะจ้องมันจะบีบบังคับตัวเองให้รู้ตอนนั้นอย่าไปทําถ้ารู้เท่าไหร่เอาเท่านั้นถ้าบังคับให้รู้มากกว่านั้นแสดงมันเกินความสามารถของเรามันจะก่อให้เกิดโทษเกิดความเครียดความตึงความผิดความเพี้ยนขึ้นมาที่เขาเพี้ยนเพี ย, น, พย น, กนกันเพราะอย่างเงี้ยในความสามารถเรามีแค่สิเราจะไปบีบบังคับมันมีเป็นร้อยเงี้ย ก็ผิดปกติใช่ไหมที่เขาปฏิบัติทำแล้วผิดเพี้ยนกันเพราะว่าทำเกินกำลังของสติปัญญาที่เราจะไปรับได้แต่มันทำด้วยความอยากเป็นตันหาทำด้วยตันหาตันหามันไม่รู้จักกำลังของตัวเองนะเพราะฉะนั้นเราเราพยายามรู้บ่อยๆเอานะถึงแม้ว่าจะผิดพลาดลืมไปบ้างแต่ตั้งท่ารู้บ่อยๆดีกว่ารู้ทีเดียวมากๆแต่ว่ามันมันเกรงมันยาก อันนี้ไม่ถูกนะต้องรู้บ่อยๆทําบ่อยๆรู้บ่อยๆแต่ครัำผิดบ่อยๆก็รู้บ่อยๆผิดแล้วผิดอีกรู้แล้วรู้อีกเดี๋ยวมต้องผิดถูกขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยผิดก็อย่าไปกลัวว่าเออผิดแล้วอย่าไปเศร้าหมองนะผิดแล้วอย่าไปเศร้าหมอง เ, ออเดี๋ยวเราก็ต้องแก้ไขไปเรื่อยๆวันหนึ่งมันก็จะพ้นไปนะในแต่เรื่องกรรมนูนกันบางคนก็เศร้าหมองนะเพราะยังไม่รู้เศร้าหมองก็ทําให้เกิดความท้อแท้เบื่อนายแล้วก็ ตำาหนิงตัวเองขึ้นมาก็เป็นสร้างของอีกใช่ไหมเป็นอัตตาตัวใหม่อีกขึ้นมาซ้อนๆก็ขึ้นมาเนีย่ยถ้าเราไม่รู้เท่าทันพอรู้ปับ๊บวันผิดปับทิ้งไปเลยตั้งค่ากำหนดใหม่แระวังต่อไปอีก是是อันนี้คือหลักในการปฏิบัติที่ถูกต้ตองแล้วจะเข้าใจได้ง่าย